บัณนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่นอนสงบอยู่ภายในใจของคนทั้งหลายนั้นตามปกติแล้วถ้าไม่มีสิ่งมากระตุ้นจากข้างนอกหรือใจเป็นเหนียวนึกจึกนึกขึ้นมา สังโยชน์เขาคงจะอยู่ของเขาอย่างนั้นเราทำนองคล้ายๆกัตะกอนที่อยู่ใต้ก้นผัชนะคือถ้าถ้าใครไม่ไปกวนหรือใครไม่ไปเขยา่าภัชนะตะกอน ก, ก็คงอยู่ที่ก้นภัชนะน้ำข้างบนก็คงใส่คือสามารถใช้ดื่มได้จิตใจของคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่การจะหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นจากข้างนอกหรือการจะควบคุมความคิดของเราไม่ให้เหนียวนึกในลักษณะนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้งางยากแต่จะต้องใช้ความเพียรพยายามกระทาไปไเรื่อยๆบนแนวการปฏิบัติในรูปที่จะถ่ายทอนผ่อนคลายความรุนแรงของสังโยชน์ คือแม้จะเกิดขึ้นก็อย่าให้รุนแรงเกินไปนั้นบุคคลก็อาจจะใช้หลักของสติสัมปชัญญะความเพียรที่ใช้ในกรรมฐานนั่นเองมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตใจของตัวเองซึ่งอันที่จริงแล้วก็คงไปสอดคล้องกันหลักซึ่งเราเคยพบอยู่เสมอที่ทรงใช้เรื่องอั ป, ปมาตในสีเรื่อง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 จาก อ, อ่อนๆจนถึงมีความรุนแรงซึ่งในครั้งแรกอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะตัวเราแต่ถ้าพอแรงขึ้นมันจะออกมาข้างนอกก็จะกระทบข้างนอกคือคนนอ ก, นอกที่เรียกว่ า, ากระทบคนอื่นก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นาการปฏิบัติในชั้นนี้ก็คือการใช้สติเป็นหลัก ที่จะห้ามจิตที่จะกั้นจิตเอาไว้ไม่ให้มีตัวเร่งให้นิวรนไอ้ให้สังโยชน์มันเกิดขึ้นมากเกินไปแลห้ามใจตัวเองไว้ไม่ให้เหนียวนึกจึกนึกในลักษณะที่จะเพิ่มกิเลสในกรณีของวิจิกิจาคือความเคลือบแคลงสงสัยนั้นจะเห็นได้ว่า เขาคงเป็นกิเลสประเภทโมหะคือประเภทมืดเช่นเดียวกันตามปกติแล้วเราก็ใช้แสงสว่างเอาก็คือการใช้โยนิโสนาสิการคือการใช้ปัญญาปิณิพิจาเอาในตั้งกลางความมืดนั้นแสงสว่างเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความมืดก็จะลดตรงไปเท่านั้นเพราะนั้นเรื่องของวิจิกิษาซึ่งเป็นกิเลสกลุ่มโมหะมันก็เบื่ดกัน ถ้าเราได้ใช้หลักโยนิโสมนสิการคือคิดจะมีเหตุมีผลมีวิธีในการคิดคิดอะไรคิดอย่างไรคิดไปเพื่ออะไรคิดแล้วได้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีองค์ประกอบในการคิดาการพิจารณาการวินิจฉัยการตัดสินเพราะตนี้ก็สงบไปได้แต่เ客观จริงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าภูมิปัญญาของเราไม่ได้มีมากพอที่จะไปวินิจฉัยอะไรได้ทุกเรื่อง มีเรื่องเป็นนั้นมากบาก็นําเราก็สู่ที่มืดคือไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยข้อ น, นี้เป็นสิ่งที่เราพบกันในชีวิตประจำวันคนอาจจะแตกฉานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นนักปราดถในเรื่องนั้นก็มีความรอบรู้สูงในเรื่องเหล่านั้นแต่ไปเจอเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้หรือจะรู้เพียงนิดหน่อยก็ได้เพิ่มความไม่สงสัยใน สิงที่ท่านชานาญก็ขจัดออกไปได้แต่พอเจอสิ่งที่ท่านไม่รู้มันก็คือความไม่รู้แต่เราก็ไม่มีกําลังปัญญาพอที่จะไปคิดเพราะไม่มีวัตถุดิบอะไรในการคิดได้เลยส่วนหนึ่งท่านจึงสอนในรูปของการใช้ศรัทธาในความเชื่อมันมีลักษณะเหมือนอะไรมันก็มีลักษณะเหมือนคนกรบอด ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับคนที่อยู่ในทีมมืดซึ่งท่านจะเห็นว่าคนตาบอดกับคนตาดีเนี่ยคนตาบอดนั้นก็อาศัยความจำนิจจำนานกับความเชื่อเช่นมีคนจูงเนี่ยก็แสดงว่าเขาเองเขาก็ไม่เห็นแต่ก็เขาก็เชื่อคนที่จูงเขาแล้วก็ไปตามที่คนเขาจูงเขาก็ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ เธอแม้แต่คนตาดีคือบางทีมันเห็นสถานที่เห็นถนนหนทางแต่ก็ไม่รู้มันไปจะไปทางไหนมันก็มีแต่เห็นไปเจอทางสองแยกสามแยกข้าวมันก็เลี้ยวไม่ถูกคนตาดีเองเอาก็จริงมันก็ต้องถามคนแถวนั้นหรือดูป้ายเดี๋ยวก็บอกเอาไว้ในกรณี้ก็ต้องเชื่อป้ายเชื่อคนที่เขาบอกทางให้แล้วก็เดินไป เพราเรื่องของความเครืแเปลง่สงสัยก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางเรื่องที่เราไม่พร้อมจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบวินิจฉัยนจนพอต่อการวินิจฉัยตัดสินเราก็เชื่อคนที่ควรเชื่อหรือแหล่งที่ควรจะเชื่อฟังคำสอนในเรื่องขจัดความสงสัยเนี่ยราจะพบว่าถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์เชื่อในใจสิกขาเชื่อพยานการศัสรูของรพระพุทธเจ้าแล้วจริงๆเราเองก็ยังไม่มีญาณเราอาศัยญาณของท่านคล้ายๆคนตาบอดอาศัยตาของคนตาดีแล้วคนตาดีก็จูงไปเราก็ไปได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันแล้จากจุดนี้เราจึงไปพบธรรมะที่รับรองความจริงส่วนนี้ เป็นประวัตกาิเทระจึงบวชมาก็าไม่ค่อยศรัทธาเลื่อมใสในตัวาศาสนธรรมอะไรเท่าไรหรอกแต่ว่าเกิดศรัทธาที่จริงมันค่อนไปทางการมาราคะในพระสรีระของพระพุทธเจ้าคือในความงดงามของพระพุทธเจ้าบวชไปบวชมาก็ปรากฏว่าก็ไดตามดูพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเด็ในดยาบททั้งหลาย พระเจ้าเองในตอนแรกก็ไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ปล่อยให้ดูไปจนใจท่านซสงบพอที่จะได้คิดแล้วพระเจ้ารับสั่งไล่เพราะว่ากลิพิคุจงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ตาตาร่างกายของตถาคตนั้นเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นจะเห็นธรรม ว่ากะลิก็น้อยใจเกิดโธมนัตเสียใจว่าตั้งใจบวชมาเพื่อจะดูพระพุทธเจ้าแท้ๆ แ, แต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ให้ดูเสียลวก็ไปขึ้นไปบนภูขเขาคิดจะกูดเพื่อจะกระโดดตมาให้ตายอะไรก็ค่อนข้างไปทางประท้วงโทมนัตเสียใจเราประชดประชันอะไรอยู่ พรเจามเห็นว่าจิตใจท่านตกลงไปอย่างนั้นมันก็ต้องประคองจิตท่านขึ้นมาด้วยการฉายจะพันหลังสีปรากฏเฉพาะพระพักร์แล้วก็คุยด้วยถ้าเกิดปีติประมทจิตท่านน้อมลงไปนะจากความคิดรุนแรงที่จะฆ่าตัวเองแล้วก็ปรับพวกปีติมาอยู่ที่ปัจสถานใจมันก็เป็นสมาธิก็วิจารณาตามคําสอนที่พระเจ้าทรงแสดง ะจะเจริญอุปรสรนาตรงนั้นเองบรรลุอรหัตเป็นอรหันต่นั่นเองจึงทรงสแสดงว่าศ ร, รัทธายาตรรติอกขังบุคคลจะข้ามโพรงน้ําคือกิเลสได้ก็เพราะศรัทธาเพราะในจุดนี้ศรัทธานก็เป็นหลักช่วยตรงใดที่เราไปมั่นใจก็ดูแหล่งที่มาของเรื่องที่เราสงสยัยเหล่านั้นเราจะสงสัยสิ่งนั้นแต่เราเชื่อคนแต่คนนั้นเราต้องรู้จัก คือไม่จะเชื่อสงสมไปเพราะฉะนั้นในแวดวงชีวิตของเราเราก็ถูกอย่างพระพุทธเจ้าประสงค์ที่ควรแก่การเชื่อถือซึ่งว่าที่จริงในปัจจุบันถ้าตัวโดยตัวตัวไปมันก็มีปัญหาเหมือนการบาะคนปลอมบทเยอะแล้วต้อง ม, ม, มีการพิจารณาเรางคนจะเชื่อหรือไม่ควรเชื่อพ่อแม่วงศากันนายญาติญากผู้ใหญ่ครูบาจารย์ผู้หวังดีทั้งหลายพวกเหล่านี้เราก็มองไปที่ตัวท่าน เราก็ไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่เราสงสัยเท่าไรเราแต่เราก็เชื่อตามที่ท่านบอกทีนี้ถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นในตัวบุคคลนั้นเรารู้จักบุคคลนั้นดีเนี่ยมันก็แก้จัดปัญหาได้เช่นเดียวกันตอนนอนอะไรก็ทำนอนคล้ายๆกัเรารับยามาจากหมอหรือจากพยาบาล ไอเราสังเกตว่าถ้าใครมาจากไหนก็ไม่รู้นิ่งๆมาบอกว่ายาเนี่ยเป็นยาศักดิ์สิทธิ์ยาผีปอกสามารถรักษาโรคได้สรรพัฒนะฮะไอคนง่อตอนนั้นเองที่จะไปกินได้ทันทีเนี่ยปกติก็ไม่รับไปกินหกไม่รู้ใครเป็นใครแกโรคได้จริงหรือเปล่าไอตัวยาเราก็ไม่แน่ใจนะตัวคนเราก็ไม่แน่ใจเพรา ะ, ะ น, นตัวคนใช้ศรัทธามันก็ไม่ได้ไอตัวยาจะใช้ศรัทธามันก็ไม่ได้ ถ้าใช้ปัญญาเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาสืบสวนเขาว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมจึงขายยาเหล่านั้นแล้วยานั้นมีส่วนประกอบอะไรมีส่วนผสมอะไรแล้วก็จริงปัญญาเราก็ไปไม่ได้จะเดินไม่ได้พอต่อการวิจัยในตรงนี้มันก็ต้องปฏิเสธไปก่อนเพราะถ้าืนผีพรามไปเชื่อเขาหรือแม้แต่ปฏิเสธไปเลยนะฮะปฏิเสธไปเลยก็คงจะไม่ดีก็คือรับไว้ก่อน ก็ไปหาข้อมูลใหม่ส่วนมาหลังจะตัดสินใจรับประทานหรือไม่รับประทานมันก็ต้องอยู่ที่ข้อมูลซึึง่งแต่ว่าในกรณีของหมอพยาบาลที่จริงยาเราก็ไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่ามีคุณอย่างนั้นจริงหรือไม่รักษาโรคได้จริงหรือไม่เพราะที่เรารับมาแล้วก็รับประทานเข้าไปมันสืบเนื่องมาจากความเชื่อในคนที่เป็นหมอในคนที่เป็นพยาบาล แสดงเห็นว่าบางทีมันก็อิงความเชื่อบางทีก็อิงปัญญาบางทีก็อิงทั้งสองประกาศซึ่งในชีวิตของคนเราก็คงจะแหวกไปแหวกมาอยู่ในตรงนี้ว่าจะใช้ตรงไหนในกรณีนี้แต่ถ้าเราพร้อมทั้งสองอย่างหมายความว่าเราเชื่อทั้งยาเราเชื่อทั้งคนเราจะไม่ค่อยลังเลอะไรที่จะปล่อยเขาฉีดยาเข้าไปเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ลังเลอะไรเราเชื่อในตัวหมอ เราเชื่อในพยาบาลโดยเป็นการกระทําในโรงพยาบาลด้วยทำให้เราปล่อยก็ฉีดยาเข้าไปจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าจิตอะไรแต่เราก็เชื่อเขาศรัทธาจึงใช้ประโยชน์ได้ในกรณีเหล่านี้แล้วก็ใช้ได้ไปเรื่อยๆแต่ตาเราสามารถใช้ปัญญาได้ดีแล้วก็ใช้ปัญญาได้ ยึดมก็มีหลักของปัญญาที่เข้ากํากับอารมณ์ตัวกระตุ้นมันจะข้างนอกมันก็ต้องมีการวินิจฉัยตัดสินสรวสอบโดูสติระลึลกโรคปัญญาเขาทำหน้าที่วินิจฉัยดยูควรจะเชื่อหรือไม่ควรจะเชื่อควรจะรับหรือไม่ควรจะรับแล้วก็ติดัดสินใจไปตามสมควรเกิดกนณีทังนั้นแต่ทีนีบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่มีกําลังขนาดนั้นแต่ว่าเราดูที่ตัวคนหรือแหล่งที่มาอย่าตำรบตำรา เอกสารหลักฐานาต่างๆที่มีความสมบูรณสมผลรณ์สิ่งเหล่านั้นเองเราไม่มั่นใจอะไรแต่วันีสิ่งเหล่านั้นมันก็สืบเนื่องมาจากคนที่เราเชื่อถือสืบเนื่องมาจากเอกสารที่เราเชื่อถือก็ทําให้เราเชื่อถือสิ่งเหล่านั้นเราหมดความขาจัดความเคร่ยดแรงสงสัยในเรื่องเหล่านั้นคือไม่ถึงก็หมดไปหล้วแต่มันก็บรรเทาลงไปได้ วิจิกจานั้นเป็นภาวะชงักงันนั่นที่เคยกล่าวไว้เพราะงั้นถ้าเราจับได้ตรงนี้ใช้ศรัทธาได้ก็ใช้ศรัทธาตรงนี้ใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาใช้ได้ทั้งสองได้ก็ยิ่งดีจะทําทให้คนเราไม่สูญเสียเวลาไปเพราะไปคิดในเรื่องที่ไม่ควรจะคิดก็ออยังปัญหาที่เราถูกเสียงที่เราพูดว่าปัญหาเรื่องโลก โรคแตกนะปัญหาโรแตกจะเห็นว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถรู้ได้ด้ยวยความคิดเราก็ใช้ได้สองอย่างคือเชื่อหรือแม้นก็พิสูจน์ด้วยการพัฒนาบรรดาขึ้นไปนั่นก็คืออะไรก็คือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกหน้าโลกนี้เรื่องวิสัยของพระพุทธเจ้าอิทธิฤทธิปาฏิหารของพระพุทธเจ้า เรืองวิสัยของกรรมต่างๆที่คนเขาก็รปเิญกรรมอย่างนั้นก็ดูแล้วไม่น่าจะไปรอดแต่ทาไมจึงไปรอดอยู่อย่างนั้นมันน่าจะตายไปนานแล้วทำไมจึงไม่ตายทำไมคนนี้เป็นคนจนแท้ๆก็ไม่เห็นมีอะไรทำไมจึงมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้ตายไปแล้วมันเกิดในสุคติได้เป็นต้นพวกนี้ที่จริงแล้วมัก็ถ้าเราจะคิดี่เราก็คิดไม่ได้ แต่ถ้าเราใช้ปัญญาคือเชื่อตามที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมก็มีปัญหาไดหรือเปนงั้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปก็จเจริญสมาถกรรมฐานอภิษนากรรมฐ า, านไปจงเกิดญาณในลักษณะเดียวกันก็จะเกิดความรู้ความเห็นถูกตรงกับที่ปรากฏอยู่ในตำรับตำรา น, นั้นเองแต่ในกรณีนี้จะพบ่ากันใช้ปัญญานั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่มาก ชาตินี้จะสามารถบรรลุญาณได้หรือไม่ก็ไม่รู้แต่ถ้าเราจับศรัทธาไว้ก่อนคือเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก่อนก็นทำให้ชีวิตดำเนินไปผลกรอบของเหตุผลและความดีเราความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าความเชื่อของกรรมเนี่ยประคับประคองจิตใจเอาไว้ในเรื่ององาสีลับตับ รัพตะปรามาคือการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติต่างๆในในลักษณะครั้งลักษณะศักดิ์สิทธิ์เดยจะพบ ว, ว่าตราบใดที่เป็นโลกิยาเนี่ยตราบใดยังเป็นโลกิยาอยู่ตราบนั้นมันก็ต้องมีไอความเชื่อในแนวนี้อยู่เพียงแต่ว่าจะมีมากหรือว่ามีน้อยก็ตามอย่าแม่ศาสนาบางศาสนาในโลกนี้ ไปเศษรูปเคารพทั้งหลายทำลายทำลายรูปเคารพทั้งหลายแต่เขาเองก็ให้ความสําคัญแก่รูปเคารพเช่นว่าคมภีร์เราก็เป็นรูปเป็นรูปที่เราเคารพอย่างหนึ่งคำว่ารูปก็ไม่ได้หมายถึงคนถึงสัตว์อะไรคำว่ารูปนั้นหมายถึงสิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็ได้แต่ยินด้วยหูก็ได้ตูดดมด้วยจมูกก็ได้ลิ้มด้วยลิ้นก็ได้จับต้องด้วยกายก็ได้มันก็เป็นรูปมันเป็นการไปเศษรูปอย่างหนึ่งแล้วก็ไปยึดรูปอย่างหนึ่ง เท่านั้นเองไม่ได้ทิ้งรูปอะไรแล้วบางทีก็สร้างเป็นสัญลักษณ์เป็นประจันครึ่งเสี่ยวอะไรขึ้นบางก็แสดงสิ่งนั้นที่จริงมันก็เป็นรูปไปเศษในรูปที่เป็นรูปคนเห็นประเศษพระพุทธรูปเทวรูปรูปผมงพระพรหมรูปของเวิตต่างๆหรือษีจีไปต่างๆแล้วก็บอกว่าไม่ยอมรับรูปเคารพตั้งแตที่ตัวเองก็ถือรูปเคารพอยู่ ทิ้งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ที่เราลืมมองอีกมุมหนึ่งอีกจุดหนึ่งแตในช่วงระยะใกล้สั้นที่ผ่านใกล้ๆที่ผ่านมานี้เราพูดถึงอมิสบูชาและปฏิบัติบูชากันมากก็แน่นอนที่พระเจ้าทรงสันเสริญนั้นทรงสันเสริญปฏิบัติบูชาบูชาพระองค์โดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศทึงแสดงเอาไว้ บางคนพูดเลยเถิดไปถึงปฏิปฏเสธทรงปฏิเสธอามิสบูชาแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจว่าอามิสบูชานะ่ะที่จริงมันเป็นการปฏิบัติบูชาอยู่ด้วยเพราะกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นเหตุที่เราให้ทานก็ดีเป็นเหตุที่เราบูชาไปเวียนเชียนทําพระทักศิล์ต่อสถานที่ที่เราเคารพสกสารก็ดีเราซื้อดอกไม้ถูกเชียนบูชาพระรัตนตรัยก็ดีนั่นเอง ไอ้ตัวดอกไม้ทุกเทียนอ่ะมันเป็นวัตถุเป็นอมิตรจริงแต่เจตนาเนี่ยเจตนาที่เป็นเหตุให้ซื้อดอกไม้ทุกเทียนเป็นในตุให้ทำบุญตักบาตรเป็นเหตุเนเหตุให้สร้างเสนาสนะนั้นมันก็คือปฏิบัติิบูชาตามคำสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าโดยทานอันใหม่คือการบริจาคทานบุญสําเร็จโดยการบริจาคทาน มันไม่ใช่แยกออกไปได้เ ด, ดดเด็ดขาดอะไรเพียงแต่ว่าจะเน้นอะไรคือจะพูดในมุมใดแต่นั่นเด้งในปฏิบัติบูชาท่นแหละคือบางทีมันก็ต้องมีอามิตรอยู่ชเช่นพระเจ้าทรงสแสดงว่าโยจะสปะระโดโหติสโจสจะสปะระโดโหติยระดาติปัสย่าผู้ใ ด, ดให้ที่อยู่อาศัยผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกอย่างปณิตใจที่ยอมรับว่า การให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าเป็นการให้ทุกอย่างแล้วก็น้อมนามาปฏิบัติมันก็กลายเป็นปฏิบัติทีู่ชาแต่พอเราเกิดให้ที่อยู่อาศัยข้าวบริจาคสร้างกุฏิบริจาคสร้างโรงพยาบาลบริจาคสร้างผลสดบริจาคสร้างโรงเรียนทนีนั้นก็เป็นอามิสบูชาแม้ต่จนถึงกับเจริญกรรมฐาน แต่เราจะเห็นว่ามันก็มีอยู่ทางอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาก่อนจเจริญกรรมฐานก็มีการไหว้พระสวดมนต์แต่ก่อนจะไหว้พระสวดมนต์น่ยมันก็มีการจุดธูปเทียนแล้วก่อนจะจุดธูปเทียนทีจริงมันก็มีการวางด้วยดอกไม้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นอามิสบูชาเราเริ่มในอามิสบูชาก่อนจเจริญกรรมฐานได้ทําไปเพื่อจะต้องมองว่ามันไม่ใช่อยู่เฉพาะตรงนั้น มันมีคนและมีสิ่งเกี่ยวเนื่องมีการงานอย่างที่ยกขึ้นไว้ในเป็นตัวอย่างในตอนต้นที่ว่าระหว่างยากับหมอเนี่ยสมมติว่ายาเม็ดนั้นแหละแต่คนอื่นเอามาให้ถ้าเราไม่รู้คุณภาพของยา น, นั้นเราจะไม่กล้ารับประทานแต่ถ้าเรารู้คุณภาพของยา น, นั้นคนที่นามาส่งให้เนี่ย จะเป็นใครก็ได้เราตรงนี้เราใช้ปัญญาเราเพราะม่จะรับประทานยานนแต่ทีนี้ถ้าคนให้เป็นหมอแล้วยานั้นเราไม่เคยเห็นเลยแสดงว่าตรงนี้เราเชื่อในตัวหมอปัญญาที่พิจารยามันไม่มีมีกำลังไม่พอเราก็รับประทานยานั้นไปตามความเชื่อไม่ใช่รับประทานไปตามปัญญา แต่ทีนี้ถ้าเรารู้คุณของยาด้วยแล้วก็รู้ว่าคนนี้เป็นหมอด้วยแล้วก็หมอชานาญเรื่องนี้ด้วยเราก็กินยานั้นทางด้วยอาศัยศรัทธาแล้วก็อาศัยปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าเรามีศรัทธาในตัวหมอด้วยเรามีศรัทธาในยาด้วยเรามีความรู้ว่าท่านเป็นหมอด้วยเรามีความรู้ว่ายานี้มีคุณด้วยเราแสดงว่าปัญญาและศรัทธาก็เกิดขึ้นในสองจุด แล้วกลายเป็นกําลังคือศรัทธากําลังคือปัญญาขึ้นไปในจิตใจก็ขวามกําลังใจมันก็ดีขึ้นนะได้หมอดีได้ยาดีมารักษามันก็ช่วยในด้านจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งก็ทําให้จิตใจมีความเชื่อมัน่นมีความอาดทนรื่ดิ้งเติมขึ้นเพราะสิ่งทั้งๆจึงจึงจึงไม่ใช่ปรากฏเฉพาะเฉพาะเดี่ยวๆแต่มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นด้วยจึงจะต้องมองให้เห็นว่าในกรณีของการขาจัด ความเพร่ยวแค่งสงสัยก็ดีนในกรณีของศีลปฏิประมา a ก็ดีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องศีลปตัตป h a r า a คือไม่ต้องว่าอะไรใครกันนะนะในความว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีอยู่ระดับหนึ่งเพียงแต่ในชั้นแรกเนี่ยขออย่าถึงก็งมงายมันก็เกินเหตุไปนะไปนั่งถูต้นไม้ถูก้อนอิดจนตาลาย อยู่ถูเทียนไปด้วยก็มีควันถูควันเทียนเข้าตาน้ำตาไหลถูกไปถูกมาก็ตาลายมันก็มองเห็นเลขอะไรขึ้นมาแล้วเราไปซื้อหวยก็ถูกันคนละทีสองทีเลขมันก็มี20ตัวทอนนั้นเด้งก็ะสับไปสับมาเพิ่มจำนวนขึ้นไปมันเปลือยก็เกิดถูกขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปเชื่อมแกะท่อนไม้แกะก้อนอิดก้อนหินเหล่านั้นแล้ก้อนหินก้อนหินเหล่านั้นก็อนนนอบอกหวยได้ อันนี้เป็นสีรับธรมรมะที่เกินเหตุคืองมงายจนเกินเหตุจนไม่มีเหตุผลอะไรไปมาทีกล้วยมันเกิดหักคค้นกลางกลางต้นก็มีแตกลูกออกมาออกปีกล้วยมาในระหว่างกลางต้นก็ไปไหว้ไปกราบไปสักการบูชากันอันนี้มันก็เกินไป บางที่มาเกิดมาสี่ขาก็อย่างนั้นอย่างนั้นพอเกิดมา5ขาคนก็ไปกราบพอเกิดมาสามขาคนก็ไปกราบอีกมองไปเรื่องศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่จริงๆแล้วนะฮะถ้าเรามองสาวให้ลึกนั้นคือกระบวนการของกรรมที่มาตัวนั้นก็ต้องกระทำกรร ม, มอะไรอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดไว้แดดีิก็ส่งผลให้ออกมาลักษณะ น, นั้นอาจะเป็นความบกพร่องผิดพลาด ของแมสุนักหรือว่าสิ่งมีพิษมีภัยแปลกปลแปลก ป, ปลอมเข้าไปสู่ร่างกายเป็นต้นเนี่ยน่าจะมองกันในเงยนั้นทีนี้คนเรานั้นยังไงเนี่ยมันก็เข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าสมบูรณ์ไม่ได้ตัดไอศีรัพัตธรมาสออกไปจากจิตใจจริงๆริงเนี่ยทำได้ยากเพราะเป็นเรื่องของประสบกาัณ์ ตัวนี้มางคงจะต้องเป็นกิเลสประเภทโมหะเหมือนกันและการตําการก็คือใช้ปัญญาที่จะหาประโยชน์เพิ่มขึ้นจากสิ่งดหลนั้นหรือบางทีก็เอาศรัทธาเอาตัวนั้นเป็นตัวยึดเฉยๆเป็นตัวยึดเหนยวตั้งใจเฉยๆแล้วก็มาเพิ่มเป็นพลังศรัทธาขึ้นภายในใจเราเพรา ะ, ะผลที่ปรากฏแก่ใจที่จริงมันเป็นผลของศรัทธาตัวนั้นเป็นตัวเชื่อมคล้ายๆกับเราเดินนะ ไม่ใช่ไม้เท้ามันช่วยเราเดินแต่ไม้เท้าไม่ใช่คำกันเราเดินจริงเราเดินกับเท้าของเราก็ไปสู่จุดไม้ไปลายทางได้แต่ถ้าเราไปให้ความสำคัญว่าเนี่ยมันเพราะไม้เท้าในสุดเราจะสูสญสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วไม่กล้าเดินในตัวเองการเดินทุกทีก็ต้องมีไม้เท้าแล้วถึงจุดหนึ่งในเท้านั้นอาจจะพิการ ก็อะไรเพราะไม่กล้าใช้ไม่ได้ใช้ไม่เชื่อมั่นในเท้าของตัวเอง ท, งทางที่ว่าเดินทุกคราวเนี่ยไม้เท้าก็เพียงแต่ช่วยคําจันโดยการถือของมือโดยการคิดของใจนะฮะมันไม่ใช่ตัวเดินนะฮะ ท, ทางที่จริงๆแล้วก็เท้าไปตัวเดินแต่เราเกิดไปให้ความส้องการแก่ไม้เท้าขึ้นมากกว่าเท้าโอกาสหนึ่งเนี่ยอาจจะถึงก็เปนำมาพลึิบไปด้วยก็ได้ เพราะนแนวศีลปตปรมาทเนี่ยมันก็คือแนวหนึ่งก็คงใช้เชื่อในแต่ไ ป, ไปดูที่คนที่คนเชื่อทีนี้ถใช้ปัญญาเนี่ยเราใช้ที่ตัวคนก็ได้ใช้ที่ตัวสิ่งนั้นก็ได้แต่จะต้องปัญญาที่มีดมีผลจริงๆเพราะเรื่องเหล่านี้เพื่อสังเกตว่าพุทธศาสนาเองไม่ได้ปฏิเสธกับระดับสินธรรมจัญญา ที่ทรงแสดงถึงเรื่องความชื่อถือของคนอย่างทรงแสดงไว้ในประสูทิ์ว่ามนุษย์ต่งหลายพอถูกปกลัวตายนะพวกง่ายปกลัวตายก็ต้องยึดเหนี่ยวสิ่งท่างหลายเป็นที่พึ่งคือห น, นีความตายผนะู้เขาบ้างต้นไม้บ้างจอมปรวกปั้นเรื่นว่างบ้างอะไรตัวใดก็วิ่งไปเกาะไปยึดสิ่งเหล่า น, นั้น ทรงแสดงว่าเนตังโขสนังเคมังนั่นไม่ใช่สนาอันกเกษมเนตังสนามุตตมานั้นไม่ใช่สนาอุนดมเนตังสนามากมามสบุรคาพระพุทธเจดีคนที่ถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสนาแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกตั้งปวงได้นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าทรงปฏิเสธในฐานะที่เป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดและจะช่วยหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนะฮะมันช่วยไม่ได้ แต่ไม่ปฏิเสธสถานะที่ลดลงมาหมายความระดับสินธรรมจันดาเนี่ยพวกฟันพวกกาลังใจเสริมสร้างความเชื่อมัน่นเป็นสวัสดิมงคลสําหรับในการดำรงชีวิตของบุคคลทั้งหลายตัวนั้นไม่ได้ปฏิเสธเขาก็หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงหลุดหลุดจากหลุดพ้นจากทุกได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งปวงเพราะงั้นการมองในศีลับตาปราบมาศ ในสำหรับเราเองนะในส่วนตัวเราเองในตัวของสิ่งที่เป็นศีลธรรมปรามาตถ์ก็ต้องพยายามใช้ปัญญาในตัวคนที่เกี่ยวข้องสิ่งนั้นถ้าหากว่าจําเป็นจะต้องเชื่อบ้าก็ต้องใช้ศรัทธาก็สามารถที่จะรักษาจิตใจของตัวเองไว้ได้ปัฏฐานคือศรัทธากับปัญญาเป็นตัวคุ้มครองใจทีนี้ในการมองคนอื่น เห็นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สืบเนื่องว่าเป็นผลของกา ร, รมาปฏิบัติได้หรือไม่เนี่ยยันได้เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนกับเราเคยสูบบุหรี่เราเลิกสูบบุหรี่ปัญหาสําคัญว่าเรามองบุหรี่อย่างไรแล้วก็มองคนสูบบุหรี่อย่างไรเรามองบุหรี่ด้วยความเป็นโทษเราสูบขึ้นแล้วมันก็สร้างปัญหาใหญเราก็ไม่สูบ แต่เรามองคนที่สูบนั้นจะต้องมองด้วยความสงสารด้วยความเมตตากรุณาต่อเขาต้องการที่จะอหกเขาเห็นเขานะั้นเลิกละพวกเข้ไปจะมุกเหล่านี้ออกไปไม่ใช่มองเขาด้วยความดูหมิน่นด้วยความรังเกียจแสดงอาการรังเกียจขยักขยั้งก็า่นควันเขาปัดควันทําหน้าอยู่ยี่ขึ้นมาดัง น, นั้นลักษณะเหล่านั้นที่จริงแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนกิเลสตัวหนึ่งมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งเท่านั้นเอง แต่การสูบุรีที่จริงไม่ถึงก็ตกนรกก็ตกนรกปัจจุบันได้นะแต่นรกในอนาคตมันก็ไม่ถึงก็เป็นบาปไปนี่จะตกนรกกัได้แต่ถ้าเราเลิกสูบุรีแล้วไปด่าคนอื่นไปดูบิ่นคนอื่นไปรักแสดงการอังเกยียดคนอื่นนั้นเป็นอักุศลโดยแท้เพราะในจุดนี้สําหรับเราใช้สตาได้ก็ใช้ใช้ปัญญาได้ก็ใช้แต่สมรับการมองคนอื่นเนี่ยต้องมองด้วยความไม่ต่าสงสาร ในความบังดีปรารถนาดีต้องการที่จะ เ, เห็นเขาหลุดรอดจากการตกเป็นทาสของบุรีนั่นก็คือผลที่เราจะได้ไปในใจก็ไม่ถึงกับสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงหรอกแต่ว่ามันก็บรรเทาความรุนแรงของกิเลสลงไปได้เป็นเรื่องที่สามารถใช้ได้ทําได้ปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันสําหรับผู้ใคร่ทำและผู้คอยตามทลายต่อจากนี้ไปก็พอให้ตั้งใจต่อความสงบสืบต่อไป